จเจริญพรท่านผู้มีจจตเมตตากรุณาใจบุญใจกุศลทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันจันทร์ที่เจ็ดเมษายนพุทธศักราช2551เป็นวันหยุดชดเชยเนื่องในวันจากรีที่ตรงกับวันที่หกเมษายน พอเดไปตรงกับวันอาทิตย์ทางการเลยมีวันหยุดเฉยๆในวันจันทร์ให้อีกหนึ่งวันหนึง่งก็เป็นวันที่ถือว่าเป็นกําไรก็ได้หรือขาดทุนก็ได้ขึ้นอยู่ที่ว่าเราจะใช้วันนี้ให้ได้กําไรหรือให้ขาดทุน ถ้าอยากจะได้กำไรก็อย่างที่ท่านทั้งหลายได้มากันในวันนี้มาทำบุญถวายทานมาฟังเทศฟังธรรมมารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมเป็นการกระทําที่มีกำไรเพราะจะส่งให้จิตใจของเรานั้นดีขึ้นสูงขึ้น มีความสุขมากขึ้นเมื่อเราต้องจากโลกนี้ไปเราก็สามารถเอาติดตัวกับเราไปได้เป็นที่พึ่งของเราได้เป็นที่ให้ความสุขเป็นเครื่องป้องกันภัยอันตรายต่างๆที่จะมากระทบกับจิตใจของเราได้นี่เป็นการกระทำที่กำไรส่วนการกระทำที่ขาดทุนก็คือ การไปยิงนกตกปลาไปทำบาปทำกรรมไปเสพสุรายาเมาไปเที่ยวไปเล่นการพนันเป็นการกระทำที่ไม่มีผลกำไรมีแต่จะขาดทุนเพราะว่าจะต้องไปใช้หนี้ใช้เวงใช้กรรมต่อไปเมื่อไปจากโลกนี้ แทนที่จะได้ไปใช้บุญก็ต้องไปใช้กรรมเพราะบุญและกรรมนี้ขึ้นอยู่กับผู้กระทําถ้าทําบุญผู้นั้นก็จะได้รับบุญถ้าทํากรรมผู้นั้นก็ต้องรับกรรมอันนี้เป็นหลักตายตัวไม่ว่าจะมีพระพุทธเจ้าพระอริยสงสาวกมาสั่งสอนให้ กับสัตร์โลกหรือไม่ก็ตามความจริงอันนี้ก็ยังมีอยู่ยังเป็นอยู่ตายตัวไม่ขึ้นกับการกับเวลาเป็นอาการลิโกไม่สมัยพระพุทธการเป็นอย่างไรสมัยนี้ก็ยังเป็นเหมือนเป็นเหมือนกันคือทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำตามพระพุทธเจ้าแล้วได้ไปเลย หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดถ้าทำตามกิเลสทำตามความโลภความโกรธความหลงก็จะต้องไปเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่ส่วนใหญ่ก็จะไปอยู่ในภพที่ไม่ดีในอบายเพราะกิเลสนั้นจะไม่สนใจเรื่องการทำความดี เรื่องการสร้างบุญสร้างกุศลกิเลสจะสนใจแต่จะหาความสุขในปัจจุบันจะไม่คำนึงถึงการหาว่าจะหามาด้วยวิธีใดก็ตามขอให้ได้มาก็แล้วกันเวลาเกิดความอยากแล้วใจมักจะทนต่ออำนาจของความอยากไม่ได้ถ้าหามาด้วยวิธี ที่สุดจริญไม่ได้ก็จะหาด้วยวิธีทุจริตเมื่อหาด้วยวิธีทุจริตก็คือการทำบาปทำกรรมเช่นหามาด้วยการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหามาด้วยการลักทรัพย์หามาด้วยการประพฤติผิดประเวณีหามาด้วยการพูดปลดมดเท็จก็จะเป็นเหตุที่จะส่งให้ไป เกิดในอบายต่อไปการได้มาเกิดเป็นมนุษย์นี้เป็นโอกาสที่ดีอย่างยิ่งที่จะตักตวงกำไรให้กับชีวิตจิตใจดังที่พระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวกทั้งหลายได้ตักตวงกันจนท่านได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ถึงพระนิพพานที่เป็นบร ม, มสุข มีความสุขไปตลอดอนันตกาลเพราะใจนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจนี้เป็นของไม่ตายใจนี้มีมาอยู่แต่ดั้งเดิมเพียงแต่ว่าถูกความหลงครอบงำจึงถูกหลอกให้ไปโลภไปอยากได้สิ่งต่างๆ ต, ต้องไปเกิดได้พบในชาติต่างๆเพราะความอยากได้นี้พาไป แต่ความสิ่งที่ได้มานั้นล้วนเป็นสิ่งที่ไม่จีรังถาวรได้มาแล้วสักวันหนึ่งก็ต้องจากกันไปไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามสมบัติทั้งหลายในเรกนี้ไม่ได้อยู่กับใจไปตลอดได้มาวันนี้พรุ่งนี้ก็อาจจะจากกันได้ถ้าไม่จากพรุ่งนี้เมื่อถึงเวลาที่ต้อง ละสังขารร่างกายก็ต้องจากกันไปอยู่ดีหรือจะเป็นสมบัติชนิดอื่นในไตรภพนี้เช่นได้ไปเกิดบนสวรรค์ได้เป็นเทพได้เป็นพรหมก็มีการหมดไปได้เช่นเดียวกันเมื่อหมดบุญแล้วจิตก็จะกลับลงมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่มาสร้างบุญสร้างกรรมใหม่ ก็จะวนเวียนไปอยู่อย่างนี้อยู่เรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดในแต่ละภพในแต่ละชาติก็ต้องพบกับความทุกข์ชนิดต่างๆความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายความทุกข์ที่เกิดจากการพัดพรากจากกันความทุกข์ที่เกิดจากความกังวลความห่วงความอะไรความเสียดาย ความวุ่นวายใจต่างๆรวนตามมาถ้ามีการเกิดเมื่อมีการเกิดแล้วก็จะมีความทุกข์ต่างๆตามมาพระพุทธเจ้าจึงทรงเห็นว่าวิธีเดียวที่จะทำไม่ให้ใจต้องทุกข์กับอะไรก็คือใจไม่ต้องไปเกิดอีกใจไม่ต้องไปหาร่างกายใหม่ใจไม่ต้องไปเป็นกายที่ใจไม่ต้องไปตกนรกไปทำอะไรที่ชั่วร้าย แล้วใจก็จะอยู่ในพระนิพพานไปตลอดคำว่าพระนิพพานนี้ความจริงก็ไม่ใช่สถานที่ต่แต่เป็นฐานะของใจหรือสภาพของใจที่ปราศจากความโลภความโกรธความหลงเป็นเหมือนกับเสื้อผ้าที่ได้รับการซักอย่างดีจนสะอาดหมดจดไม่มีกลิ่นเหม็นไม่มีคราบสบกรปรกหลงเหลือติดอยู่กับผ้า เป็นผ้าที่นานนำเอามาใส่หรือเก็บไว้ในตู้ถ้าเป็นผ้าสกรปรกนี้ก็ไม่มีใครอยากจะใส่ไม่มีใครอยากจะเก็บเอาไว้ในตู้เพราะจะทำให้ตู้นั้นมีกลิ่นเหม็นนี่คือเรื่องของใจเป็นเหมือนเสื้อผ้าใจไม่ได้ตายไม่ได้สูญหายไปไหนเวลาพระพุทธเจ้าจากโลกนี้ไปท่านก็ไม่ได้สูญหายไปไหน ร่างกายของท่านก็เป็นเหมือนของพวกเราที่มีความแก่มีความตายเป็นธรรมดาเมื่อถึงเวลาถึงอายุไขของเขาร่างกายก็สลายกลับคืนสู่ธาตุเดิมกลับคืนสู่ดินน้ำลงไฟส่วนใจก็ไม่ไปไหนอีกแล้วใจก็สงบอยู่ในพระนิพพานอยู่ในบรมมัสุขม นี่คือใจของพระพุทธเจ้าและใจของพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายเป็นอย่างนี้ไม่ได้สูญหายไปไหนพระพุทธเจ้าไม่ได้สูญพระอาหารหันต์ไม่ได้สูญคําว่าสูญในนิพพานังปรมังสูญอย่างท่านหมายถึงสูญจากติเลธทั้งปวงสูญจากความทุกข์ทั้งปวงในใจมีแต่บรลลังก์มั่นสุข ถ้ามีบาร ม, มีสุขแล้วจะสูญไปได้อย่างไรใจนี้เป็นบาร ม, มีสุขขังบรมังสุขขังเป็นบเป็นความสุขอย่างยิ่งเป็นความสุขไปตลอดไม่มีที่สิ้นสุดต่างกับความสุขของพวกเราที่สุขแล้วก็ทุกข์ทุกข์แล้วก็สุขเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่เรื่อยๆเพราะใจของเรายัางมี ปัจจัยที่ทําให้ความสุขความทุกข์เปลี่ยนไปก็คือความโลภความโกรธความหลงนี่เองที่ทําให้ใจของเรามีความสุขมีความทุกข์สลับกันไปเวลาเราอยากจะได้อะไรพอเราได้มาเราก็มีความสุขพอเราเสียไปเราก็เสียใจเราก็มีความทุกข์แต่ถ้าเราไม่มีอะไรเลย แล้วเราไม่หิวไม่อยากไม่ต้องการอะไรเลยใจของเราก็จะสุขไปตลอดใจของเราจะสบายไปตลอดแต่การที่จะทำให้ใจของเราไม่โลภไม่อยากไม่ต้องการอะไรเลยนี้เป็นสิ่งที่ต้องทำต้องต่อสู้กับความโลภ ก, กับความอยากกับความต้องการต่างๆเพราะถ้าไม่ต่อสู้ ก็จะถูกความโลภความอยากนี้ลากไปลากให้ไปหาไปเอาในสิ่งที่อยากได้มาแล้วเมื่ออยากได้มาแล้วความอยากก็ไม่หมดไปเพราะจะมีความอยากอันใหม่เกิดขึ้นมาอีกพอเราได้คือก็เกิดความอยากจะได้สอกพอได้สอกก็อยากจะได้วานี่คือความอยากเป็นอย่างนี้ ถ้าตราบใดยังมีความอยากอยู่ตราบนั้นใจก็ยังต้องสุขต้องทุกข์สลับกันไปเวลาสุขก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่เวลาทุกข์นี้มันแสนทรมานใจทุกคนต้องทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นพวกเรานี้ยังต้องเจอกับความทุกข์อีกมากเพราะเรายังต้องแก่เราต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเราต้องตายเราต้องพัดพรากจาก สิ่งต่างๆจากบุคคลต่างๆอีกมากมายแต่ถ้าเราฉลาดเราเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วเราพยายามต่อสู้กับความอยากต่างๆเวลาอยากได้อะไรก็ให้ใช้เหตุผลถ้าสิ่งที่อยากได้นั้นเป็นสิ่งที่จําเป็นสิ่งที่ต้องเอามาใช้ประโยชน์กับชีวิตของเราเช่นปัจจัยสี่ อาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเครื่องนุ่งหม่มเป็นสิ่งที่เราอยู่ปราศจากไม่ได้ถ้าเรามีความจำเป็นขาดแคลนเราก็ต้องหามาแต่ถ้าเรามีพอเพียงแล้วเราก็ไม่ควรที่จะมาหามาเพิ่มอีกเช่นเสื้อผ้าของเราถ้าเรามีมากพอไม่เดือดร้อนที่จะต้องหามาใหม่ก็อย่าหามา เพอมันจะติดเป็นนิสัยมันจะเป็นความอยากพอได้ชุดใหม่แล้วอีกไม่กี่วันพอไปเดินตามร้านพอเห็นชุดใหมก่ก็อยากจะได้อีกหรือเห็นคนนั้นคนนี้เขาใส่ชุดใหม่มาอวดมาโชว์เราก็อยากจะได้ขึ้นมาอีกแล้วมันจะเป็นตัวผลักให้เราต้องไป น, นิรนทนไปหามาอยู่เรื่อย ถ้าเราไม่มีฐานะที่พอจะหาได้ตามความอยากมันก็จะผลักให้เราต้องไปทำบาปทำกรรมไปทำผิดศีลผิดธรรมไปทำผิดกฎหมายเช่นคนที่ไปขายยาบ้าไปค้ายาเสพติดก็เป็นเพราะว่าความอยากนี้เองอยากจะเที่ยวอยากจะกินอยากจะดืม่มอยากจะสนุกอยากจะมีนั่นมีนี่เหมือนกับคนอื่นเขา แต่ตอนเองไม่มีปัญญาพอที่จะหามาด้วยวิธีที่สุดจริญคือทำมาหากินด้วยวิธีที่ไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมก็เลยต้องไปทำผิดกฎหมายแล้วในที่สุดก็ต้องถูกเขาจับไปลงโทษถูกจับทั้งในคุกในตารางหรือไม่เช่นนั้นก็ถูกประหารชีวิต แล้วก็ต้องไปเกิดใหม่อีกเพราะว่าการตายของร่างกายนี้ไม่ได้ไปทำลายความอยากที่มีอยู่ในใจความอยากที่มีอยู่ในใจก็จะตะเกียกตะกายไปเกิดใหม่แต่เนื่องจากทําบาปทํากรรมมาก็ต้องไปเกิดในภพที่ต่ำไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างไปตกนรกบ้างจนกว่าจะหมดกรรมล้วถึงจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ แล้วถ้ายังติดนิสัยเดิมอยู่ก็จะมาทำบาป ท, ทำกรรมมาอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อีกไม่รู้จักจบจากสิ้นความอยากนี้พระพุทธเจ้าจึงทรงเห็นว่าเป็นตัวการสำคัญที่สุดเป็นตัวที่มีโทษกับจิตใจมากอย่างยิ่งจึงต้องต่อสู้ต้องกำจัดให้ได้ พระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรกที่รู้ถึงโทษของความอยากและสามารถต่อสู้จนทำลายความอยากให้หมดสิ้นไปจากจิตใจได้จึงได้ปรากฏเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาให้พวกเราได้กราบไหว้บูชาให้มาเป็นศาสดามาสั่งสอนพวกเราให้ได้ปฏิบัติตามและก็มีผู้ที่ได้ยินได้ฟัง และนำเอาไปปฏิบัติตามและได้รับผลปรากฏเป็นพระอารหันต์ขึ้นมามีเป็นจำนวนมากพวกเราก็เป็นพวกที่อยู่ในข่ายที่จะได้รับอ น, นิสงส์อันนี้ขอให้เรามีความกล้าหารกล้าที่จะตัดกล้าที่จะต่อสู้กับความอยากต่างๆขอให้เราใช่เหตุผล ถ้าความอยากนี้เป็นความอยากที่ไม่จาเป็นก็ตัดมันไปเสียเช่นวันนี้อยากจะไปเที่ยวอยากจะไปเล่นทำไปแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเอาเวลานี้มาเข้าวัดดีกว่ามาทำบุญมาฟังเทศฟังธรรมถ้าอยู่ค้างวัดได้ก็มาปฏิบัติธรรมมานั่งสมาธิเพราะการนั่งสมาธินี่แหละจะเป็นตัวที่จะหยุดความอยากได้ เพราะความอยากนี้ต้องอาศัยใจความคิดถ้าใจไม่คิดก็อยากไม่ได้เวลาใจสงบอยู่ในสมาธิจะไม่มีความอยากเมื่อไม่มีความอยากก็จะพบกับความสุขที่เราไม่เคยเจอมาก่อนเป็นความสุขที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายยกย่องว่าเป็นความสุขที่เลิศที่ประเสริฐยิ่งกว่าความสุขอื่นๆในโลกนี้ ต่อให้ได้ไปทำอะไรตามความอยากมากน้อยเพียงไรจะมีความสุขมากน้อยเพียงไรจากการได้ทำตามความอยากต่างๆความสุขเหล่านั้นก็จะสู้ความสุขที่ได้จากการชนะความอยากไม่ได้ความสุขที่ได้จากการระงับความอยากทำให้จิตตั้งอยู่ในความสงบไม่ได้ความสุขนี้อยู่ติดกับใจไปเรื่อยๆความสุขที่ได้กับความอยากนี้อยู่ อยู่อยู่ไม่นานเป็นเหมือนกับควันไฟมีความสุขเดียวเดียวแล้วก็จางหายไปแล้วเช่นเมื่อคืนนี้เราออกไปเที่ยวเราไปกินไปดื่มไปดูไปฟังวันนี้พอเราตื่นขึ้นมาความสุขที่ได้ในเมื่อคืนนี้ก็หายหมดไปแล้วมีสิ่งอื่นเข้ามาแทนที่ก็คือความอยากใหม่อยากจะไปทำใหม่อีก เมื่อคืนนี้ไปมาแล้วเดี๋ยววันนี้ก็อยากจะไปอีกอยากจะไปที่นั่นที่นี่อยากจะไปทานั่นทํานี่แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เป็นอย่างนี้ก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดแล้วก็ต้องไปทำงานทำการหาเงินหาทองมาด้วยความยากลำบากเพื่อที่จะเอามารับใช้ความอยากโดยที่ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับจิตใจเลยต่างกับการที่เรา มาวัดแล้วเรามาทำบุญให้ทานมารักษาศีลมาฟังเทศน์ฟังธรรมเพราะว่าการกระทาเหล่านี้จะทำให้ใจของเราสงบลงเย็นลงความอยากน้อยลงความสุขมีมากขึ้นทำให้เราไม่ต้องไปดิ้นรนไปแก่งแย่งทำมาหากินเพื่อที่จะ เอาเงินมารับใช้ความอยากต่างๆเมื่อไม่มีความอยากแล้วเราแทบจะไม่ต้องหาเงินเลยก็ได้ออกบวชได้สบายคนที่ไม่มีความอยากแล้วเขาไม่รู้จะอยู่ในทางโลกไปทําไมเพราะไม่มีอะไรให้ความสุขกับเขาเหมือนกับการอยู่นิ่งๆเฉยๆไม่อยากไม่โลภไม่ต้องการอะไร คนแบบนี้ก็จะออกบวชกันไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายจะไม่รู้สึกลำบากเลยเกี่ยวกับเรื่องการบวชเพราะเขาไม่ได้อยากไปไหนอยู่แล้วเขาอยากจะอยู่เฉยๆเพราะอยู่เฉยๆนี่มีความสุขยิ่งกว่าการไปหาความสุขตามความอยากต่างๆแล้วก็ต้องมาทุกมาเสีย อ, อกเสียใจมาร้องห่มร้องไห้ มากังวลมาห่วงเช่นความสุขที่เราได้รับจากการมีคู่ครองเวลาเราอยู่คนเดียวเราไม่ต้องห่วงคู่ครองของเราเราไม่ต้องกังวลว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเขาหรื อ, รอไม่อย่างไรเราไม่ต้องมาเสีย อ, อกเสียใจร้องผอมร้องอ้าวเวลาที่เขาจากเราไปไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม บางทีเขาก็จากเราไปเพราะเขาทิ้งเราไปเขาหนีเราไปเขาอยากจะไปอยู่กับคนอื่นเขาก็ทำให้เราเสียอกเสียใจหรือไม่ฉช่นั้นเขาตายไปเขาก็ทำให้เราเสียอกเสียใจขณะที่เขาอยู่เราก็ต้องห่วงต้องกังวลและบางครั้งก็ต้องมีการทะเลาะวิวาสมีการทุบตีกันก็มี ไม่ใช่เป็นความสุขเลยแต่เนื่องจากใจของเราขาดปัญญาไม่ทันความอยากพอความอยากสั่งให้ไปมีคู่มีคู่ครองก็รีบวิ่งไปเลยพอมีใครมาจีบมาขอเป็นแฟนก็รีบรับ ท, ทันทีไม่เคยคิดเลยว่ากำลังเอาอะไรมาไม่เคยคิดเลยว่ากำลังเอากองทุกมาแบกบ ไม่เคยคิดเลยว่าเอาไฟมาเผาตนเอง เ, ออเพราะว่าเราคนแบบนี้เป็นเพราะว่าส่วนใหญ่ไม่ได้ยินได้ฟังพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าหรือไม่มีสติปัญญาในตัวของตนเองพอที่จะเห็นถึงความไม่เที่ยงแท้แน่นอนถึงความทุกข์ของสิ่งต่างๆของบุคคลต่างๆนั่นเองพอเกิดความอยากปั๊บ ก็ต้องรีบไปหาตามความอยากทันทีหามาได้แล้วก็ความอยากก็ไม่หมดไปก็มีความอยากใหม่ตามมาอีกชีวิตของเราก็เลยวนเวียนอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่รู้จักจบจักสิน้นดีใจแล้วก็เสียใจหัวเราะแล้วก็ร้องไห้เกิดแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายวนไปเวียนมาอยู่อย่างนี้ไม่รู้จักจบจักสิน้น จนกว่าเราจะเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าเอาพระพุทธเจ้าเป็นเยี่ยงอย่างพระพุทธเจ้าเคยอยู่ในวังเคยอยู่กับความสุขทางโลกมาพระองค์ก็กล้าสละความสุขทางโลกไม่ไปเที่ยวไม่ไปกินไ ม, ไ, ไม่ไปดื่มไม่ไปดูไม่ไปฟังมุ่งหน้าเข้าสู่ป่าสู่เขาไปหาความสงบสงัดจากการอยู่ ตามลำพังจากการนั่งทำสมาธิจากการปรงอนิจจงทุกขังอนัตตาปรงสังขารปรงทุกสิ่งทุกอย่างไม่ยึดไม่ติดไม่อยากได้จึงได้กลายเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมามพวกเราถ้าอยากจะพบกับความสุขอันวิเศษนี้อันเลิศนี้เราก็ต้องกล้าที่จะทำตามพระพุทธเจ้าตอนนี้เรามีอะไร เหลือกินเหลือใช้ไม่จําเป็นอย่าไปห่วงลองฝึกให้ไปดูเมื่อเราเคยให้แล้วเราจะพบกับความสุขใจเบาใจขึ้นมาเมื่อก่อนนี้ต้องห่วงต้องห่วงต้องกงังวลต้องเสียดายกับสิ่งที่มีอยู่พอเราตัดใจให้ไปได้แล้วใจเราจะโล่งขึ้นจะเบาขึ้นจะสบายขึ้น ในเมื่อเราไม่มีความจาเป็นที่จะต้องมีแล้วเราเก็บไว้ทำไมเก็บไว้ก็เป็นภาระทางด้านจิตใจให้ไปแล้วมันจะโล่งอกโล่งใจสบายใจนี่คือการปฏิบัติเราต้องเริ่มทำดูถ้าเราทำแล้วเราจะเห็นผลเมื่อเราเห็นผลแล้วก็จะทำให้เราอยากจะทำมากยิ่งขึ้นไปต่อไปเราอยากจะให้อยู่เรื่อยๆเก็บไว้เพียงเท่าที่จำเป็น เราจะไม่เอาเงินไปซื้อของฟุ่มเฟือยของที่ไม่จำเป็นมาหลอกให้ใจเราติดเป็นเหมือนกับปลาติดเบ็ดเราจะเอาเงินนี้ไปทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นและเราจะมีความสุขจากการได้การกระทำอย่างนี้เราจะทำให้เราไม่อยากจะเบียดเบียนผู้อื่นทำให้เราอยากจะรักษาศีลทำให้เราอยากจะเข้าวัด ถือศีลแปดนั่งสมาธิปรงอนิจังทุกขังอนัตตาอยู่เรื่อยๆแล้วใจของเราก็จะไม่อยากได้อะไรอยากจะอยู่เฉยๆอยู่คนเดียวเพราะไม่มีความสุขอะไรในโลกนี้จะดีเท่ากับความสุขที่อยู่ในใจของเราที่อยู่ตามลาพังนี่คือเป้าหมายที่เลิศที่วิเศษ ที่เรียกว่าปรมังสุขขังอยู่ตรงนี้เองไม่ได้อยู่ที่ไหนพวกเราทุกวันนี้วิ่งหาความสุขกันแต่เราวิ่งหาผิดที่แทนที่จะหาภายในใจเราเรากลับไปหาสิ่งภายนอกหาบุคคลภายนอกมาให้ความสุขกับเราเราจรึงไม่เคยได้พบกับความสุขที่แท้จริงเราไม่เคยหลุดพ้นจากความทุกข์เลย เพราะเราวิ่งเข้าหาความทุกข์เองวิ่งเข้าหาสิ่งต่างๆวิ่งเข้าหาคนนั้นคนนี้แล้วเราก็ต้องมาทุกข์กับสิ่งต่างๆทุกข์กับคนนี้คนนี้คนนั้นคนนี้แต่เราก็ยังไม่รู้ว่าเป็นปัญหาของเราเพราะว่าเราไม่เคยคิดกันเมื่อมีปัญหาเราก็พยายามแก้กันพอแก้ได้ก็ล่งอกล่งใจไปวันหนึ่ง แล้เดี๋ยววันต่อไปก็มีปัญหามาให้แก้อีกปัญหามันมีอยู่เรื่อยๆเรยพราะโลกนี้เป็นโลกของปัญหาโลกของความทุกข์โลกของอนิจจังทุกขังอนัตตาต่อให้แก้ปัญหามากน้อยเพียงไรก็จะแก้ไม่หมดพอแก้ไม่ถูกที่ปัญหาในโลกนี้เราอย่าไปแก้ให้เสียเวลาปัญหาที่เราต้องแก้อยู่ในใจเราแก้ปัญหาในใจเ ร, เราได้แล้วหมดปัญหา แก้ปัญหาของใจก็คือความอยากนี้เองพอแก้ความอยากได้แล้วจะไม่มีปัญหากับใจอีกต่อไปใจจะไม่มีปัญหากับอะไรทั้งสิ้นเพราะใจปล่อยวางได้ในโลกนี้อะไรจะเป็นอย่างไรใครจะเป็นอะไรเราไม่ไปยุ่งเกี่ยวด้วยไม่สนใจปล่อยเขาเป็นไปก็จะไม่เป็นปัญหากับเรานี่แหละคือการดาเนินของพระพุทธเจ้า ตั้งแต่ออกจากพระราชวางังจนได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาก็มุ่งไปที่การแก้ปัญหาที่ใจเท่านั้นก็คือความอย่างนี้เองจนเมื่อแก้หมดแล้วท่านก็มีแต่ความสบายไปตลอดไม่ต้องไปเกิดใหมอ่อีกตายแล้วก็จบร่างกายนี้เป็นร่างกายสุดท้ายที่จะต้องมาเจ็บมาปวดมาแก่มาตายด้วย หลังจากนี้แล้วก็จะไม่มีร่างใหม่อีกต่อไปนี่คือมรรคผลนิพพานที่พระพุทธเจ้านำมามอบให้กับพวกเราเป็นเหมือนกับมรดกที่พระพุทธเจ้าทรงทิ้งไว้ให้กับพวกเราอยู่ที่ว่าพวกเราจะฉลาดพอที่จะเห็นคุณเห็นประโยชน์ของมรดกกองนี้หรือไม่ หรือจะเป็นเหมือนกับไก่ที่ได้พลอยก็ช่วยไม่ได้ไก่ได้พลอยแต่ไม่รู้คุณค่าของพลอยกับเห็นว่าตัวหนอนตัวไส้เดือนมีคุณค่ากว่าก็เลยต้องขุ ด, ข ด, ขดคุย้ยหาไส้เดือนหาหนอนกินไปไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดแต่ถ้าได้พลอยเม็ดอันเสรตนี้มาไว้เป็นสมบัติแล้วจะไม่ต้องไปหาอะไรอีกต่อไป จึงขอฝากเรื่องของการใช้ชีวิตให้เกิดกำไรไม่ให้ขาดทุนด้วยการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องจนกว่าจะได้พบกับผลที่เลิศที่วิเศษให้ท่านได้นำเอาไปพินิพิจารณาและปฏิบัติ ต, ต่อไปการแสดงก็เห็นว่า